2. ทางสายกลางวงเล็บเปิด 1.17 พฤศจิกายน2550ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที30วงเล็บปิดกว่าคนคนหนึ่งจะสามารถเข้าสู่ทางสายกลางนี้ยากที่สุดถ้าไม่เผลอไปก็บังคับเอาไว้ฉะนั้นทางสายกลางนี่เป็นทางที่เส้นเล็กมากเลยเล็กกว่าเส้นผมอีกนะทางที่ผิดมีอยู่เต็มไปหมด ฉะนั้นเราค่อยๆสังเกตว่าใจของเราย e ังโน้มเอียงไปสู่ความหลงหรือโน e ้มเอียงไปสู่การบังคับถ้าเรารู้ทันมันจะค่อยๆปรับตัวของมันเองเราไม่ปรับเราไม่ต้องไปทําอะไรเราให้เขาเรียนรู้ไปเพราะเขาเรียนรู้ว่าอย่างนี้ผิดเขาจะค่อยๆถูกของเขาเองทําไมเราต้องประคองต้องรักษาเพราะเราหวงแหนทําไมเราต้องหวงแหนจิตเพราะเราคิดว่าจิตคือตัวเราถ้าเรารักษามันไว้ให้ดีแล้วตัวเราจะได้มีความสุข ตัวเราจะได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิมุตต์หลุดพ้นเราจะได้หลุดพ้นเพราะฉะนั้นที่ประคองรักษาจิตเพราะว่าจิตรักตัวเองนั่นเองที่หลงไปหาโลกหลงไปหากิเลสก็เพราะรักตัวเองนั่นเองแต่รักไม่เท่ากันรักแบบหลงโลกคือรักอย่างคนโง่รักอย่างรักษากายรักษาใจเอาไว้คือการรักอย่างคนฉลาดแต่ถ้าเรารู้จนหมดความรักนะเราจะเป็นอิสระจากกายจากใจนี้ เพราะเรารักอะไรเราก็ต้องเป็นธาตุของสิ่งนั้นถ้าเรารักในจิตของเราเราก็เป็นธาตุของจิตอยู่นั่นแหละต้องคอยปรนนิบัติมันไปเรื่อยๆอยากให้จิตใจมีความสุขอยากให้จิตใจพ้นทุกข์ก็ดิ้นรนเพราะฉะนั้นให้เรารู้ทันนะเราไปประคองเอาไว้นิดๆหน่อยๆเราก็หัดรู้ไปแต่ว่าไม่ต้องจงใจรู้มากค่อยๆรู้ รู้เท่าที่รู้ได้ถ้าเรารีบร้อนที่จะรู้นะก็กลายเป็นการปฏิบัติด้วยความอยากอีกแล้วอยากรู้ให้ชัดเราจะเครียดขึ้นมาให้รู้เล่นๆ น, นะวงเล็บเปิดสอพฤศจิกายน2550ในวงเล็บ 1, หนึ่งจุดจุดนาที17วงเล็บปิดอย่าหาสิ่งที่ถูกนะไม่ต้องคิดว่าทำอย่างไรจะถูกเพราะคำเฉลยก็คือเครื่องหมายคาพูดเปิดไม่ว่าทาอะไรก็ผิดปิดเครื่องหมายคาพูด เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพยายามทําให้ถูกพยายามทําให้ถูกก็ผิดหมดแต่ให้รู้เวลาจิตมันไปทําผิดที่จิตทําผิดมีสองอันคือเผลอกับเพ่งไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะแต่เดิมหลวงพ่อดูจากสภาวะแล้วเราก็พบว่าตัวที่หลงสุดโต่งมันมีสองอันเผลอกับเพ่งต่อมาเมื่ออ่านปริยัติถึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วเผลอไปก็คือหลงตามกิเลสไปเรียกว่าการมสุขขลิกานุโยก เพ่งไว้บังคับกายบังคับใจไว้เรียกว่าอัตตกิละมัฐานุโยคฉะนั้นนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือผู้ทําอัตตกิละมะถานุโยคโดยไม่รู้ตัวบังคับกายบังคับใจจนกระทั่งจิตใจนี้แห้งผากเลยนะอัตตกิละมัฐานุโยคเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามแต่ผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทําเพราะฉะนั้นไม่ประหลาดใจที่มันไม่มีคนบรรลุมรกผลเท่าไหร่มีน้อยเพราะไม่ได้ทําตามที่พระพุทธเจ้าบอก ทีนี้เรามาหัดรู้สภาวะนะจิตเราไปทําอัตตกิลมถานุโยคบังคับเอาไว้เราก็รู้จิตเราหลงกิเลสไปเป็นการมสุขขลิกานุโยคเราก็รู้แต่เดิมเราคิดว่าการมสุขขลิกานุโยคเป็นพฤติกรรมทางกายอัตตกิลมัฐานุโยคเป็นพฤติกรรมทางกายเราจะรู้สึกอย่างนี้ส่วนทางสายกลางนี่เป็นเรื่องทางจิตใจดูสิมันไม่เข้ากันนะอันหนึ่งกายอันหนึ่งใจมันคนละเรื่องกัน พระโกนธัญญะได้ฟังธรรมจักรกับปวัตนสูตรครั้งแรกก็รู้ว่าทางสายกลางนี้เป็นเรื่องทางใจก่อนที่จะมีพฤติกรรมทางกายไปหลงตามกิเลสเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นใจมันต้องไปก่อนใจมันต้องเพลอเพลินไปก่อนเพราะฉะนั้นกระบวนการของการมาสุขขาลิกานุโยกก็เริ่มที่ใจมันหลงตามกิเลสไปก่อนแล้วมันถึงมีพฤติกรรมทางกายหรืออัตตกิลมฐานุโยกมันต้องเริ่มที่ใจก่อน จิตใจเราอยากบรรลุมากผลแล้วก็เลยไปบังคับตัวเองดังนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วจิตหลงไปเราก็รู้นี่ตามกิเลสแล้วบังคับเอาไว้ก็รู้ตรงที่หลงตามกิเลสแล้วเรารู้ทันจิตจะตื่นขึ้นในขณะนั้นเลยในฉับพลันนั้นเลยตรงที่เพ่งเอาไว้แล้วรู้เนี่ยนะบางคนพอรู้ก็หลุดออกมาแต่ส่วนใหญ่ไม่หลุดออกมาทําไมไม่หลุดถึงมีสติแล้วการเพ่งก็ไม่หลุดออกมาเพราะการเพ่งไม่ใช่อากุศล กามาสุขคันหรการนโยคเป็นความปรุงแต่งฝ่ายอากุศลแต่อัตตะคีมะถานุโยกเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลเราอยากดีใช่ไหมเราถึงได้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิทรมานแทบแย่เลยทรมานกายทรมานใจเพราะว่าเรารักดีเรามุ่งดีมันเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีเมื่อเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีพอสติเกิดไม่จำเป็นต้องหายไปก็อย่าไปทำมันสิอย่าไปเพ่งมันสิอย่าไปบังคับมันสิ แต่ถ้ามันเพ่งอยู่แล้วไปนั่งดูไม่หลุดนะไม่หลุดหรอกถ้าเมื่อใดทําไม่ผิดเมื่อนั้นถูกหลวงพ่อเคยสอนในพลคนหนึ่งนะเขาเป็นทหารก็ต้องสอนเรื่องยิงปืนบอกถ้าเราจะยิงหัวใครสักคนหนึ่งนะถ้ายิงไม่ผิดก็ถูกเองแหละฉะนั้นการภาวนานี่ก็เหมือนกันถ้าไม่ผิดก็ถูกเองแหละแต่ถ้าอยากทําให้ถูกก็ผิดตั้งแต่เริ่มอยากแล้วเพราะอยากเป็นกิเลสทันทีที่มีความอยากแล้วลงมือทําการลงมือทําเรียกว่าการกระทํากรรม ถ้ามีความอยากผลักดันให้ทําในขณะที่ทํากรรมฐานอยู่นั้นถ้าความอยากยังดํารงอยู่ในจิตใจของเราในอภิธรรมจะสอนบอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดกิเลสเป็นสหาชาติปัจจัยของกรรมกิเลสคือความอยากปฏิบัติมันผลักดันให้เราลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นตลอดซ้ายของการลงมือปฏิบัติกิเลสจะยังครอบงําจิตอยู่ฉะนั้นสติตัวจริงจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามีความอยากปฏิบัติก็รู้ว่าอยากปฏิบัติ นี่สติเกิดเรียบร้อยแล้วหรือไปนั่งปฏิบัติตอนอยากไปจ้องไว้แล้วพอรู้ว่าจ้องนี่สติเกิดแล้วเกิดแล้วก็อยากให้เลิกจ้องนี่กิเลสเกิดอีกแล้วให้รู้ว่าอยากนี่สติเกิดอีกแล้วเห็นไหมกิเลสกับสติจะทำงานสลับกันไม่ทำงานพร้อมกันนะค่อยๆเรียนไปนะถ้าเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกนั่นแหละถ้าเมื่อไรไม่ปรุงแต่งเมื่อนั้นก็พ้นความปรุงแต่ง แมมฟังแล้วเหมือนกำปั้นทุบดินหลวงพ่อพูดออกมาจากสภาวะจริงๆบางคนนึกว่าเราพูดเล่นนะ